ท่านประโยคน์คาววจนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่บสามกันยายนสองพันห้าร้อยิหกเวลาวันทึกนี้เป็นเวลาหัวคำ่ำเวลานี้สิบเก้านาฬิกาเศษบอกกันไว้ว่าพูดเป็นเวลาไหนสำหรับวันนี้ก็มาพูดกันถึงเรื่องทุกต่อไป เรื่อความสําคัญเรื่องทุกข์นี่มีมากก้าเขาได้โปรดทราบว่าการพูดเรื่องทุกข์นี่มันยังไม่ได้หมดทุกอย่างพูดเพียงเพียงตัวอย่างเท่านั้นที่เราจะเข้าใจในทุกได้ก็ต้องอาศัยปัญญาบา ร, รมีที่มีความสําคัญมากแต่ปัญญาบา ร, รมีที่เราจะพึงใช้ก็ต้องไปกําจัดความชั่วทางใจเสียก่อน อารมณ์ใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารสันดาสมาทุติเจ้าทรงตรัสว่าเป็นอุปาคิเลสที่ศึกษามาแล้วจากอุทุมบริการสูตรอารมณ์นั้นขาบันดาลท่านพุทธบริษัทตุตัญญาให้มีในอารมณ์ผิดของท่านเปรตเด็ขาดเพราะว่าเรามีความมุ่งหมายจะปฏิบัติตามคําแนะนําขององค์สมเด็จพระปรมาโลกกนาต และก็หลังจากนั้นอารมณ์ใดที่องค์สมเด็จจะจอมใจองค์จัดว่าอันนี้เป็นอันนี้เป็นสเก็ตความดีที่เราสอนอันนี้อย่างนี้จะต้องปฏิบัติตาม <c oughs> แล้วก็แปรการเป็นเปลือกความดีที่พระองค์สอนด้วยแล้วก็เป็นแก่นส า, สารสาระที่พรองค์ทรงสอ น, สอ น, สอนต้องปฏิบัติให้ชินใช้รูปเป็นปกติ ให้ไว่เสมอถ้ามันนานใช้มันจะคลายตัวถ้าเรามาการอย่างนั้นทั้งหมดมีการบกพร่องก็โปรดทราบว่าผลในการฝึกด้านวิปัสสนาญาณจะไม่มีผลกับท่านเลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะฌานโลกีไม่มีถ้าฌานโลกีไม่มีความมั่นคงของจิตก็ไม่มีญาณต่างๆที่ท่านศึกษาไว้ ปฏิบัติไว้ที่เป็นยาเป็นเป็นเครื่องบรรเทาความเป็นเครื่องบรเทาความโมหะความหลงหรือว่าเป็นการบรรเทามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดมันก็จะสลายตัวดันั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งชายก็ดีทั้งญายก็ดีต้องทำให้กล่องตัวตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงทุกต่อไป คำว่าทุกข์ที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้ยังอยู่ในคันของมารดาแต่ว่าพอถึงเวลามันทนไม่ไหวจริงๆคลอดจากคันมารดามาอยู่ในคันมารดาทนไม่ไหวก็ต้องคลอดจากคันมารดาหาทางออกท่านทัานหลาย จ, จึงอย่าลืมว่าขณะที่อยู่ในคันมารดาในเวลานั้นเรารับความอบอุ่นจากคันมารดาอย่างยิ่ง ความทุกข์ใดๆมันก็มีน้อยเว้นไว้แต่ว่าธามานดาบริโภคอาหารลดจัดเกินไปเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดอย่างนี้เป็นต้นเราอยู่ในคันมานดาก็มีอาการตุรนทุนรไลในบริก า, ารต่อไปถ้ามานด า, า, ามีการมีการื่อนไหวทั้งร่างกายมากเกินไป เราก็จะปวดหัวเวงกล้าวอาการของทุกมันก็ปรากฏนี่รวมความมาก่อนจะออกมันทุกจมอยู่ในคันของมารดาประมาณสิบเดือนนี่ความเกิดจริงๆมันเริ่มทุกข์มันตั้งแต่คันมารดาพอคลอดจากคันมารดาวมาแล้วคลายจากความอบอุ่นจาร่างกายของมันดาตอนนี้กระทบกับอากาศ ที่เราไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันก็ปวดก็มีอาการปวดแสบทั้งตัวเมื่ร้องอาการที่เด็กร้องไม่ใช่เด็กมีความสุข ก, <c oughs> การร้องนั้นสแสดงถึงทุกขเวทนาอย่างสาหัสมันแสบไปทั้งตัวทั้งหมดแต่ว่าในสมัยปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันท่านมีความเลฉลาดมีความเข้าใจดี <c oughs> ปรากฏว่าเด็กออกมาจะาคันทันทีพยาบาลจะเอาพื้นบรีเข้าไปอุ้มเข้าไปหุ้มอุ้มเข้าไว้ประคับประคองให้มีความอบอุ่นตามปกติแต่มันก็ไม่เหมือนเดิม <c oughs> ก็ยังดีจะมีการบรรเทาแต่ว่าการใช้หมอตำยาโบราณนี่ท่านทานหลายความทุกข์ของเราจะเพิ่มขึ้นพอคลอดจะคันบรรดาปกเลือดฟอดมันก็ติดอกมา อาการเลือดฝาติตุมาเนี่เป็นอาการของความทุกข์ในอาการของความสุขในการสัมผัสท่านหมอตำแยก็ความหมับก็ให้เวรร่างกายสุขปร่งเอาน้ํามาราดถ้าเป็นน้ําอุ่นมันก็ยังแสบกายแต่ก็ยังดีดีไม่ดีจะหาน้าอุ่นไม่ได้จหลอดน้ําเย็นก็ให้จะเกิดทุกข์กันหนัก ในการทุกข์มันมาถึงขนาดนี้นี่พูดกันท้่เราทุกข์ไหมสำหรับท่านที่เป็นมารดาก็เช่นเดียวกันท่านสุขเมื่อไรกำลังใจของท่านอยากจะมีบุตรมีความรักใครใ่ในบุตรในคันมากแต่วความทุกข์ยากที่มีคันมันก็มีนาน า, นาประการ ทางที่ดีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีที่มีคันที่เคยมีบทถ้าจะทราบดีเรื่รอมความบัหลังก์จะเกิดมาแล้วนี้เวลานั้นเราช่วยตัวเราเองไม่ได้หิวเราก็พูดให้ฟังไม่ได้หนาวเกินไปร้อนเกินไปเราก็พูดให้เขาฟังไม่ได้ ปวดอุจาระปวดสาวะปัดสาวะมันทุกขนาดไหนท่านก็นทราบอยู่แล้วแล้วก็บอกให้ใครทราบไปได้เพราะภายส่งน้ำามุกหน่อยก็เป็นหวัดาการอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นมันดาจะรู้ต่อเมื่อเราร้องมันหิจนแสบท้องท่านจึงทราบถ้าเราเฉยๆท่านก็นไม่ทราบท่านมาทราบมา ร, ร้องนี่มันทนไม่ไหวจริงๆ ลองคิดดูว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทชยยายหญิงอาการทุกข์ขนาดนี้มันทุกแบบไหนถ้าเราป่วยไข้ไม่สมบายมีอาการแสแดงออกกว่าท่านจะทราบเป็นกนนานแสนนานทุกเวทนาก็สาหัสมากถ้าเวลาปวดอุจจาระปัสส า, าวะไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ น, นี้ทํากันยังไง ตายออกมาให้กลิ่นเหม็นก็จะระก็ดีความเถิดแฉก็ปัสสาวะก็ดีอาการอย่างนี้เด็กมีโหวใจเข้าใจในความสุขความทุกข์ก็มีความรู้สึกความทั้งความพอใจและไม่พอใจแต่ความไม่พอใจจะมีเป็นไปการใดก็ตามทีเราก็ช่วยไม่ได้ จะดีขึ้นแต่เมื่อมันได้แล้พี่เลี้ยงนำไปล้างให้เกิดความสะอาดเกิดมีความสุขอยู่บ้านรวมความว่าความทุกอย่างนี่มันทรมานเรามาเป็นปีๆตึงกว่าจะเติบโตขึ้นมาการเติบโตขึ้นมาก็พบกับความทุกข์ตามที่กล่าวมาแล้วอันนี้ก็ขอพูดย่อๆไ อ, อ้การเกิดที่สมบัติที่เราจะพึนได้สม่ำเสมอกัน นั่นก็คือความแก่คำว่าแก่น่บรรดาท่านพุทธบริษัทหรือว่าโยคาวิาจรท่านหลายจงย่าเข้าใจว่าจะต้องง่อมเหมือนกับคนพูดนี่คนพูดในเวลานี่ง่อมเต็มทีแล้วอายุเจ็ดสิบปีมันไม่ใช่เวลาเล็กน้อยแล้วก็ไม่ใช่การเวลาของคนหนุ่มคนสาว เจ็ดสิบปีนี่ถ้าจะไปขอแต่งงานกับใครคนที่เขาจะเป็นเจ้าสาวเขาจะมีความรู้สึกว่ารับศพไปไหวที่บ้านถ้าศพธรรมดาก็ดีพูดไม่ได้ไม่สร้างความรลงคาญกวนใจไม่ได้ไม่สร้างความรลงคาญศพไม่บอกาอาการหิวไม่สร้างความรลงคาญ ศพไม่บอกเธอการป่วยไข้ไม่สบายไม่สร้างความลำพันศพไม่มีการต้องการอย่างใดอย่างอื่นนอกจากนอนเฉยๆไม่มีความลำพันธนอกจากว่าท่านจะของศพจะรังเกียจศพเท่านั้นอาการก็ไม่อยู่เท่านั้นแต่เองศพคนพูดได้เดินได้กินได้มีความต้องการได้ป่วยไข้ไม่สบายได้ มันเป็นศพที่ประกอบด้วยความจังไรที่สุดนี่เจนว่าความแก่จริงๆขนาดนี้นะมันไม่ใช่จะมาแก่กันเมื่ออายุเจ็ดสิบที่เราคิดว่าต้องอายุเท่านั้นห้าสิบเป็นแล้วหกสิบเป็นแล้วเจ็ดสิบเป็นแล้วจงแก่แต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความแก่มันทวีคูณขึ้นมานับตั้งแต่จากคันออกจากคันมันดา มันค่อยๆแก่มาทีละน้อยแตน้อยแตน้อยจกนกระทั่งถึงแก่ ง, ง่อมอย่างที่อาตมาพูดเวลานี้คือคนพูดนี่คืออาตมาเวลานี้ท่านต้องนึกดูว่าคนที่มีอายุเจ็ดสิบมันแก่ขนาดไหนร่างกายมันสุดโทรมขนาดไหนความลำบากทางกายมันมีขนาดไหน ถ้าการอันบาททางกายเพื่อความแก่มันยังไม่จําเป็นต้องถึงเจ็ดสิบออกจากคันมันดามาหนึ่งวันก็แก่หนึ่งวันออกจากคันมันดามาหนึ่งเดือนก็แก่หนึ่งเดือนออกจากคันมันดามาหนึ่งปีก็แก่หนึ่งปีรวมความเมื่อมาแก่มาตามลําดับในเมื่อร่างกายมันแก่ขึ้นความต้องการก็แก่ขึ้นมาด้วยเหมือนกัน ขณะที่เป็นเด็กเล็กก็ น, นอนเฉยๆคลิ้งไปคลิ้งมากเกษียรสนไปกเกษียรสนมาเวลานั้นนิวรนคือความชั่วร้ายของจิตยังไม่เกิดอารมณ์ความเป็นทิพย์ของจิตยังมีอยู่แค่นั้นเด็กที่เกิดขึ้นมาบางครั้งท่านจะเห็นว่าเธอนอนอยู่เฉยๆอยู่คนเดียวพัวเราะต่อกซิ เสียงเ อ, อิบอกแสดงความชอบใจใหญให่นั่นก็สแสดงว่าจิตที่เป็นทิพย์เมื่อเธอยังมีเพราะความสุขเบของจิตยังไม่ปรากฏและว่าพอโตขึ้นมาหน่อยถ้าวิ่งได้พูดได้คล่องตัวความระยำของจิตเริ่มมีคือมีความต้องการสูงขึ้น แค่นั่งนั่งนอนๆอนทนไม่ไหวต้องวิ่งไปน่นวิ่งไปหนี่ไปเล่นที่นั่นไปเล่นที่นี่ตามความต้องการตอนนี้มันจะเพิ่มความทุกข์ทั้งนี้เพราะรอะไรเพราะความต้องการของเด็กอย่างหนึ่งความปรารถนาดีของผู้ใหญ่มีอีกอย่างหนึ่งถ้าเล่นมากเกินไปมันดาบิดาหรือพี่เลี้ยงคนที่รักก็เกรงว่าจะมีอันตราย ก็ห้ามปรามยับยัง้งถ้าห้ามปรามยับยั้งไม่ ด, อจจดีอาจจะด่าอาจจะดีไปที่สะเทือนใจอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความถูกเพราะเราไม่ชอบใจนี่เป็นทุกข์เด็กถ้าโตขึ้นมาอหน่อยเรื่องความเป็นหนุ่มเป็นสาวรู้จักความรักในระหว่างเพศ ตอนนี้ทุกใหญ่ก็เริ่มเกิดเพราะความต้องการมีมากขึ้นการจับใจใข้สอยมีมากขึ้นการงานมีมากขึ้นมีความปรารถนานี่มากขึ้นถ้าความปรารถนาใดไม่สมหวังความปรารถนานั้นทำกำลังใจให้มีความทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นี่มันทุกข์นะทุกแคบ ทุกต่อไปที่เป็นประจำความแก่ทวีขึ้นตามลําดับทุกก็ทวีขึ้นตามลาดับนอกจากแก่แล้วนับตั้งแต่ออกจากคันมารดาแต่ความจริงมันเริ่มมีตั้งแต่คันมารดาจะไม่ขอพูดนั่นก็คือความป่วยไข้ไม่สบายความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเรานะมันเป็นสุขหรือเป็นทุกบรรดาท่านพระธบริษัจจก็ลองคิดดู นี่ถ้าเราใช้ปัญญาบารมีเพียงขึ้นมีสดจะทราบประการเกิดเต็มเรียงความทุกข์อันนี้ต่อมาก็ความปรารถนาที่ต้องการมันก็ไม่สมหวังเสมอมีบุคคลใดบ้างจะอยู่ทานแต่ในฐานะเช่นใดก็ตามทีที่จะมีความสงบนสมหวังทุกประการนะั้นมันไม่มีสิ่งที่เราไม่ต้องการอันดับแรกคือความแก่งอม เลยความเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องการแล้วก็มีใครที่ไหนบ้างห้ามความแก่ง่อมขนาดนั้นได้เพื่อสามารถจะทรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลามีไหมถ้ามีที่ไหนโปรดบอกด้วยด้ว่าช่วยสงเคราะห์กับคนแก่ที่มีความโง่เง่าเต่าตนเกิดมาอยุ่ตั้ง70ปี ยังไม่รู้จักความดีขื่องคนที่ไม่เคยมีความแก่ถ้าได้มาก็ขอยืนยันตามสมเด็จัวสมมัมรถทูตเจ้าบอกว่าไม่มีแน่ถ้าบังเอิญมีจริงๆก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจะเหญิงบอกให้ทราบด้วยจะขอไปชมบารมีบา ร, รมีของท่านผูนั้น และสิ่งที่เราไม่ต้องการที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือความป่วยไข้ไม่สบายอาการทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีใครหลีกพนไม่ว่าบุคคลใดที่เกิดมาในฐานะไหนที่ไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีเลยคนในฐานะเช่นอาตมาเป็นลูกชาวบ้านธรรมดา กินพริกกินผักกินปลาเป็นปกติมาตั้งแต่เล็กจนถ้าในปัจจุบันนี้อาหารก็อยู่ในสภาพปกติเขาทําอาหารให้ดีเกินไปตามความนิยมของชาวบ้านก็กินกับเขาไม่ได้จะต้องกินอาหารประเภทที่รีกว่าชาวบ้านก็คือว่าต่ําซ้ำที่สุดอย่างนั้นพอกินกับเขาได้ในฐานะอย่างนี้นะ ทานะอย่างนี้ก็มีการป่วยไข้ไม่สบายมีการแก่ทอนี้คนดูคนในฐานะที่ดังสูงสุดในช่วงคนของประเทศนั่นก็คือพระราชาเคยเห็นมีพระราชาองค์ไหนบ้างไหมที่ท่านไม่แก่ท่านเกิดมาถึงความเป็นหนุ่มสาวต้องทรงตัวในความเป็นหนุ่มสาวมีบ้างไหม หรือว่ามีท่านมหาเศรษฐีคนใดมีคนที่มีบุญวาสนาบารมีมากคนไหนที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักแก่มีบ้างไหมแล้วก็ไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายร่างกายเป็นปกติตลอดเวลามีไหมตามประวัติศาสตร์จะไม่เคยพบแต่เรื่องการป่วยนี้มีอยู่ท่านหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าทรงสรงเสริญ ว่าตั้งแต่เกิดมาท่านไม่เคยป่วยนั่นคือพระศิวลีพระศิวลีนี่ไม่ป่วยในโรคธรรมดาที่ชาวบ้านเ็เป็นกันแต่ก็เป็นโรคพิเศษไปจำกายของพระศิวลีเหมือนกับโรคของชาวบ้านที่องค์สมเร็จพระพิตมานทรงตัดว่าชิกัดฉาประมาโรคาความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง คำว่าโรคในแปลงนั้นอาการเสียแผ่นคือรวมความมาโรคอื่นของท่านไม่มีแต่ว่าศีวาลีก็มีโรคอยู่แต่ ท, ท, ทั้งที่โรคอื่นไม่มีเหมือนเชื้อบ้านแต่ร่างกายของบระฑิตศวาลีก็มีการสุดซ้อมเป็นปกติเป็นธรรมดาของเหมือนเชื้บ้านธรรมดาคือแก่ขึ้นไปทุกวันทุกวันอาจจมาไม่ถือว่าแก่ลงหรือว่าแก่ขึ้นแก่มันมีกําลังสงขึ้น และก็ในที่สุดคนชีวิตบรรดาท่านพุทธบริษัทและธ่รมโยชาววจรทั้งหลายทราบไหมว่ามีใครบ้างไหมที่มีความต้องการสรัมปทุอย่างตามความปรารถนาต้องการอย่างนี้ต้องได้อย่างนี้ต้องการอย่างนั้นต้องได้อย่างนั้นสมมติเอาง่ายๆื่อเวลาชาวบ้านที่อกาศเขาร้อนเกินไป เราต้องการไม่ให้มันร้อนนอนให้มันเป็นสุกนั่งให้เป็นสุกยืนเป็นสุกเดินเป็นสุกแม้จะเดินตากแดดที่ร้อนจัดเราก็ไม่ต้องการความร้อนความปรารถนาอย่างนี้เคยสมหวังกับใครบ้างอาตมาขอตอบตามความรู้สึกแบบโง่ๆก็อาตมาเองว่าไม่มีมีความร้อนไม่ไหว หลังจากนั้นไอการแก่ทั้งหลายเรานั้นเราหนีไม่ได้สิ่งที่เราต้องการบางอย่างมันอาจจะใกล้มือแต่ว่าเกินวิสัยสําหรับเราอย่างคนที่เขาร่ํารวยมหาศาล ส, สามารถจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ยังไงก็ได้แต่สิ่งที่เขาจะไม่ได้มันก็มีอยู่เยอะนั่นคือเจ้าเงินประชามระดชดเฉยไม่ให้มีความแก่ ซื้อความเป็นหนุ่มเป็นสาวไว้เขาทำไม่ได้แล้วก็ยังเงินไปจ่ายซื้อความแข็งแรงปกติของร่างกายไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายก็เป็นไปไม่ได้อีกแล้ก็ซื้อชีวิตไว้ไม่ยอมให้มันตายก็ไม่มีปยาลมหรือปยามัตุราชตนไหนท่ารับสิ้นบทรวมความว่าเราเกิดมาเป็นคนบรรดาท่านพุทธบริษัท มันหาอะไรดีไม่ได้เรื่องของอริยสัจนี่มากกว่านี้แต่ว่าสายที่มันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นคนดีมีความเคารพในองค์สมเด็จพระินศรีตัดอารมณ์เลวสร้างอารมณ์ดีถึงขั้นสเกตดแล้วก็สร้างอารมณ์ดีถึงขั้นเปลือก สร้างอารมณ์ดีถึงขั้นเก่นขึ้นได้มโนยิธิแล้ ว, วก็เห็นจะไม่ต้องอธิบายกันมากเรามากล่าวขึน้นตอนตายกันอีกพอเวลาวลาือแปดนาทีความจริงอยากจะจบลงตรงนี้แต่เมื่อเวลารือแปดนาทีก็ขอพูดต่อไป มันหลังจากเมื่อหมดชีวิตคือตายไปแล้วเรามีความสุขแลือความทุกข์เรามีความปรารถนาสมหวังมก่อนจะตายเราคิดอะไรไบ้างคิดว่าชาติหน้าเราต้องการอะไรถ้ามันเป็นเช่นนั้นไหมถ้ากำลังใจของเราซามไปนิดเดียวก่อนจะตายเราก็ไปอาบายภูมิ ในข้อนี้ขอามันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านใช้ปกเพนิวาสานุสติญาณถอยหลังชาติของเราในขั้นต่ำคือตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายสติลิชานเป็นต้นะนอกจากที่เราจะเกิดเป็นคนเราเคยเกิดในดินแดนแห่งนี้มาบ้างไหมเนื่องดูความทุกขเวทนาของร่างกายในเวลานั้น กายที่ไปทุกข์มันไม่ใช่กายเดิมนี้นี่เราจะตัดสกายะทิฏฐิกันยังไม่ตัดวองทุกข์ซะก่อนที่เราไปทุกข์มันนรกมันแดนเปรตแดนอสุรกายแดนสัติเดชังเราไม่ได้แบกกายนี้ไปเราไปหากายที่ไหน ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาทิตย์สมาในกายกายจริงๆของเรากายที่เราเห็นอยู่เวลานี้เป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคขราเหมือนกับเสื้อกางเกงที่เรานุ่งห่มถ้าถึงวาระที่มันขาดเ้าก็โยนมันทิ้งไปเราก็หาเสื้อกางเกงมาใหม่ตามฐานะที่เราจะมงหาได้ พ่อนี้มีประมาณชั้นใดร่างกายของเราเขาเช่นเดียวกันเมื่อตายจากดตบภาพมีแล้วร่างกายนี้ต้องทิ้งเขาจะเผาเขาจะไปฝังเขาจะไปโยนน้าน้นาเรื่องของเขาแต่ว่าเราน่ะไปแล้วไปตามความดีได้ความชั่วเนี่ยมามอ ง, งดูอีกทีว่าในการเกิดเป็นคนแต่ละครั้งใต้าจากความเป็นคน ถ้ามีความดีสั่งสมอยู่พอสมควรเราก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างอันนี้ขอบันดาท่านพุทธบริ ษ, ษ, ษ, ษ, ษัทชายิงที่ฝึกมโนมิจฉิได้แล้วนี่ตองถี่ว่าทุกท่านได้แล้วเรามีความรู้สิกเก่นใดในขณะที่เราเป็นเทวดาหรือพรมหรือเป็นมนุษย์ เราเกิดเป็นมนุษย์ชาติไหนบ้างที่มันมีความสุขทบทวนดูให้ดีเราจะไม่เจรความดีในด้านความสุขที่จริงจังเลย <c oughs> มันก็จะต้องไปทุก์ตามที่กล่าวมาแล้วนี่เราเป็นเกิดเป็นเทวดาแล้วผมผลของความดีที่เกิดเป็นเทวดาแล้วผมนั้นมันก็สุข สุขตามอัตภาพแห่งความเป็นทิศแด้ความสุขประเภทนั้นมันยืนโยงถาวรตลอดกาลตลอดสมัยไหมที่องค์สมเด็จเป้จอมไตรปิฎกพบเป็นอนิจจังคือพบมนุษย์พบเทวโลกพบสัมโลกมันมีสภาพไม่เที่ยงและมีอนัตตาเป็นทิสุด เมื่อบุดบุญวาสนาบารมีก็หล่นป๋องลงมานี่เวลาที่เราพูดเราฟังกันนี่คนที่เต็มใจฟังคนที่เต็มใจไปพฤติตามคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ไม่เคยเป็นทวารดาไม่เคยเป็นผมไม่มีมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติสรรมะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานด้วยความจริงใจ <c oughs> ท่านประเภทนี้จะต้องบําเพ็ญบารมีอย่างดีมาแล้วนับเป็นสงไขยกับอย่างน้อยบารมีของท่านต้องเป็นความบารมีแล้วถ้ารักความดีถึงที่สุดคือต้องการผ่านนั่นเป็นปรมาทบารมีการที่จะสั่งสงความดีมันได้ขนาดนี้ต้องมาเป็นบาบารมีมานาน ฉะนั้นปัญญาของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่ขึ้นชื่อว่าปัญญาบารมีที่จะต้องแนะนําในได้านความทุกข์กันนี้ไม่จําเป็นต้องพูดมากด้กวยความจริงก็ว่าไปว่ามาสองวาระนี่ก็เกอือบชั่วโมงจะขาดอยู่ก็เวลาสักนาทีสองนาทีเท่านั้นอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอบรรดาท่านพุทธบริษัทพยายามหาทุกข์ให้มันพบ ตื่นขึ้นเช้ามาพบความทุกข์เมื่อพบความทุกข์แล้วก็ตั้งไว้ซึ่งสังขารเปรียญา ย, ยาหรือายยานิพพานยาหาความเบื่อหน่ายในทุกที่เราต้องประสบก็บการเกิดพมีร่างกายใช้กําลังใจให้ท่งตัววางเฉยว่าทุกแล้วก็แล้วกันไปทุกนี้เป็นทุกชาติสุดท้ายต่อไปไม่ทุกอีกนั่นคือต้องการนิพพาน ในการต้องการนิพัานเขาทำยังไงขาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านรับฟังต่อไปในวันหน้าสำหรับเวลานี้หมดเวลาก็ขอลาท่านก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรด า, า, าท่าพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี